ทรงอนุญาตให้บอกอกรณียกิจสี่พระผู้มีพระภาคครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้อุปสมบทแล้วให้มีภิกษุเป็นเพื่อนและให้บอกอกรณียกิจสี่ดังนี้ 1. ภิกษุผู้อุปสมบทแล้วไม่พึงเสพเมตุนธรรมโดยที่สุดแม้กับสัตยิรชานตัวเมียภิกษุใดเสพเมตุนธรรมย่อมไม่เป็นสมณะ ไม่เป็นเชื้อสายพระสกยาบุตรภิกษุเสพเมตุนธรรมแล้วย่อมไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายพระสกยาบุตรเปรียบเหมือนคนถูกตัดศีรษะไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้โดยการต่อศีรษะเข้ากับร่างกายนั้นการเสพเมตุนธรรมนั้นอันเธอไม่พึงกระทําจนตลอดชีวิต 2. ภิกษุผู้อุปสมบทแล้วไม่พึงถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้โดยส่วนแห่งกิตคิดจะลั์โดยที่สุดกระทั่งหญ้าเส้นเดียว ภิกษุใดถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้โดยส่วนแห่งจิตคิดจะลักหนึ่งบาทบ้างควรแก่หนึ่งบาทบ้างเกินกว่าหนึ่งบาทบ้างย่อมไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายพระสกยาบุตรภิกษุถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้โดยส่วนแห่งจิตคิดจะลักหนึ่งบาทบ้างควรแก่หนึ่งบาทบ้างเกินกว่าหนึ่งบาทบ้างย่อมไม่เป็นสมณะ Jasmine, 好好 ไ, bat. Bat ไม่เป็นเชื้อสายพระสกยบุตร เปรียบเหมือนใบไม้เหี่ยวเหลืองหลุดจากขั้วแล้วไม่อาจเป็นของเขียวสดต่อไปได้การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้นั้นอันเธอไม่พึงกระทำจนตลอดชีวิต 3. ภิกษุผู้ประสมบทแล้วไม่พึงจงใจพาคสัตว์เสียจากชีวิตโดยที่สุดกระทั่งมดดำมดแดงภิกษุใดจงใจพากกายมนุษย์จากชีวิตโดยที่สุดกระทั่งยังคันให้ตกไป ย่อมไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายพระสกยาบุตรภิกษุจงใจพากายมนุษย์เสียจากชีวิตย่อมไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายพระสกยาบุตรเปรียบเหมือนแผ่นศิลานาแตกออกเป็นสองเสียงจะประสานให้สนิทเป็นแผ่นเดียวกันอีกไม่ได้การจงใจพากายมนุษย์เสียจากชีวิตนั้นอันเธอไม่พึงกระทำจนตลอดชีวิต 4. ภิกษุผู้อุปสมบทแล้วไม่พึงกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมโดยที่สุดพูดว่า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 ไม่เป็นจริงย่อมไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายพระสกยะบุตรเปรียบเหมือนต้นตาลยอดด้วนที่ไม่งอกงามได้ต่อไปการกล่าวอวดอุตริมนุษธรรมนั้นอันเธอไม่พึงกระทาจนตลอดชีวิตจัตตาริอกรณเียจบ